ธรรมบทแปลเรื่องพิฆสุชาวเมืองโกสัมพีภาคที่หนึ่งเรื่องที่หพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารพพวกพิฆสุชาวเมืองโกสัมพีตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าปะเรจะนะวิชานันติมยะเมธะยะมามหาเส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 ที่สุมน้ำแล้วก็ออกมาภายหลังพระวินัยตอนเข้าไปที่ซุ้มน้ำนั้นเห็นน้ำนั้นออกมาถามพระธรรมกติกพูดนั้นว่าท่านผู้มีอายุท่านเหลือน้ำไว้อย่างนั้นหรือถูกต้องท่านผู้มีอายุก็ท่านไม่รู้หรือว่าเป็นอาบัตในเพราะการเหลือน้ำไว้นี้อ๋อข้อนี้ผมไม่ชาบเลยท่านผู้มีอายุ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 ถูกพระเจ้าบรมทัติ้งเอาสมบัติปลอมตัวไม่ให้ใครรู้จักเสด็จอยู่ทูกจับปลงพระชนเสียและความที่พระเจ้าบรมทัตและทีฆาวุกุมารได้มีความพร้อมเรียงกันจําเดิมแต่เมื่อที่ฆาวุกุมารได้ให้ชีวิตของพระองค์โดยได้ตรัสดังนี้ว่าพิกษุดทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้ว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 พวกเราสามเมื่อกี้กันแล้วฝ่ายพวกท่านขอให้เป็นเหมือนเดิมต่อพวกเราทรามพูชาเริญนพวกท่านทูลขอเข้ามาพระสัสดาแล้วหรือยังไม่ได้ขอเข้ามาเลยผู้มีอายุก็ถ้าอย่างนั้นขอพวกท่านทูลขอเข้ามาพระสัสดาเสียฝ่ายพวกข้าพเจ้าจะเป็นเหมือนเดิมต่อพวกท่านในการเมื่อพวกท่านทูลขอเข้ามาพระสัสดาแล้วแต่ภิกษุทั้งหลาย ไม่สามารถจะไปสู่สำนักของพระศาสดาเพราะอยู่ในพรรษาผ่านภายในพรรษานั้นไปด้วยความลำบากตอนช้างปาริเลยกะอุปตากพระศาสดาฝ่ายพระศาสดาผู้อันช้างนั้นอุปตากอยู่ประทับอยู่ชำระแล้วฝ่ายช้างนั้นละโขลงข้าไปสู่ราปานั้น เพื่อต้องการความอยู่ผาสุภพระธรรมสังคาหกกาจาย์กล่าวไว้อย่างไรท่านกล่าวไว้ว่ากระนั้นความต ร, ตรึกได้มีแก่พระยาช้างนั้นว่าเราอยู่เกลื่อนกล่นด้วยพวกช้างปลายช้างพังช้างรุ่นและลูกช้างเคี้ยวกินหญ้าที่ถูกเด็ดปลายเสียแล้วและพวกเขาคอยเคี้ยวกินกิ่งไม้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 พระยาช้างนั้นถือบาดจีวรของพระศาสดาวางไว้บนตะพองตามเสด็จพระศาสดาไปพระศาสดาเสด็จถึงแดนบ้านจึงรับสั่งว่าปาริเลยะกะตั้งแต่ที่นี้เจ้าไม่อาจไปได้เจ้าจงเอาบาดจีวรของเรามาแล้วก็ให้พระยาช้างนั้นเอาบาดจีวรมาถวายเสด็จเข้าไปในบ้าน เพื่อบินบาตส่วนพระยาชางนั้นยืนอยู่ที่นั้นเองจนกว่าพระสัส ด, สดาจะเสด็จออกมาในเวลาพระสัส ด, สดาเสด็จมาทำการต้อนรับแล้วถือบาทจีวรโดยนิยกก่อนนำไปและได้วางลงหน้าที่ประทับแล้วแสดงข้อวัดต่างๆถาวายงานพัดด้วยกิ่งไม้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 จึงได้พักภิกษุเหล่านั้นไว้ข้างนอกแล้วเข้าไปเฝ้าพระศาสดาแต่รูปเดียวเท่านั้นปริยช้างปาริเละยะกะเห็นพระนนเตระนั้นแล้วถือตอนไม้วิ่งเข้าไปหาพระศาสดาทอดพระเนตรเห็นแล้วจึงตรัสว่ารีบไปเสียปาริเลยกะอย่าห้ามเธออเลย ภิกษุนั้นเป็นพุทธอุปถากปริยาชางปร่ารีไหลกะนั้นทิ้งท่อนไม้เสียในที่นั้นเองแล้วได้แสดงอาการเอื้อเฟือ้อถึงการรับบาจีวรนพระเทเรมิได้ให้แล้วปริยชางคิดว่าถ้าภิกษุรูปนี้จะมีวัดอันได้เรียนแล้วท่านคงไม่วางบริการของตนไว้บนแผ่นศิลาที่ประทับ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 ได้เสด็จถึงพระเจดตะวันแล้วโดยลำดับตอนภิกษุชาวเมืองโกสัมพีทูลขอขมาพระศาสดาภิกษุชาวเมืองโกสัมพีสับว่าได้ยินว่าพระศาสดาเสด็จถึงกรุงสาวัตถีแล้วก็ได้ไปนะที่นั้นเพื่อจะกราบทูลขอขมาพระศาสดาพระเจ้าโกศลทรงสับรว่าได้ยินว่า พวกภิสุจ์ชาวเมืองโกสัมพีผู้ก่อการแตกร้าวเหล่านั้นมาอยู่จึงเข้าไปเฝ้าพระสัสดาทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันจะไม่ยอมให้พิสษุเหล่านั้นเข้ามาสู่แวนแคว้นของหม่อมฉันพระสัสดา จ, จึงตรัสตอบว่ามหาพิทพิสษุเหล่านั้นเป็นผู้มีศีลแต่ไม่ถือเอาคำของอัรมภาพ เพราะวิวาทกันและกันเท่านั้นบัด น, นี้เธอทั้งหลายมาเพื่อขอเข้ามาอธรมาภาพมหาบาพิษขอพิสูจน์เหล่านั้นจงมาเถิดฝ่ายท่านเศรษฐีนาตะบินทิกะก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จะไม่ยอมให้ภิสูจนเหล่านั้นเข้ามาสู่วิหารแล้วถูกพระศาสดาทรงห้ามเสียเหมือนอย่างนั้นได้นิ่งแล้ว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 คือการทะเลาะกันและกันย่อมสงบเพราะการปฏิบัติคือความรู้ของชนพวกนั้นปเรจะนะวิชานันติมายะเมทะยะมามาเสเยะจจตัตถะวิชานันติตะโตสัมมันติเมทะขาเรื่องภิกษุชาวเมืองโกสัมพีจบ